ตอนที่หนึ่งสองเสียดายค่าผ่าตัดโย่เหอดูถ้าวันนี้จะบังเอิญจริงๆนะที่มาเจอพวกแกคลอดลูกที่นี่เหมือนกันนิวซูเฟินเบะปากในใจนึกสงสัยครัครันว่าเด็กที่หลีชิงผิงคลอดออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนางหวังให้เป็นเด็กผู้หญิงเสียเหลือเกินเพราะหากเป็นเช่นนั้นหลีชิงผิงย่อมไม่อาจยืนหยัดในตระกูลเจิ้งได้อย่างมั่นคงการได้เห็นสองแม่ลูกนั่นอย่อยางไร้ความสุขคือสิ่งที่นางปรารถนาที่สุดเจ้าชุนฮาวาคร้ันจะเสวนากับนางจึงคำเพียงกรอกตาใส่แรงแรงหนึ่งที ชิงพิงระอย่าไปสนใจนางเลยนะการอยู่เดือนนัะเขาถือเรื่องอารมณ์เป็นที่สุดใครจะพูดอะไรก็ให้ถือว่าเป็นเสียงตดไปเถอะหลี่ ห, หวันยกยิ้มที่มุมปากคําพูดของคุณย่านั้นช่างฟังและสะใจที่สุดทําไมไม่อยากคุยกับฉันงั้นเหรอหรือว่ากลัวฉันจะถามว่าคลอดออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นิ้วซูเฟินกอดออกเตรียมจะก้าวเท้าเข้าไปใกล้แต่เจ้าชุนฮวาปฏิกิริยาไวพอกันนางรีบก้าวขึ้นมาขวางไว้จะทําอะไร ยกแยกปากปลาร้ายอย่างแกอยู่เฉยๆจะดีกว่าที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่แกะจะมาอลว่ดได้ตามใจชอบมีอะไรก็ไปเคลียร์กันรับหลังอย่ามาหาเรื่องต่อหน้าลูกสะใภฉ้ฉันฉันนี่โง่ขนาดจะทําอะไรพวกแกกลางวันแสกๆหรอกนะฉันยังไม่อยากติดคุกฉันก็แค่จะดูว่าคลอดออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนิวซูเฟิ น, นเงเอ๋อมองแวบหนึ่งพรางส่งเสียงจึงจะในลําคอเด็กในอ้อมกอดของหลีชิงทิงหน้าตาสวยหมดจดดูถ้าคงเป็นเด็กผู้หญิง8 9ส่วนพอนึกได้เช่นนั้นนางก็หัวรั า, รา ฮาฮฉันว่าแล้วว่าอย่างหลีชิงผิงไม่มีปัญญาคลอดลูกชายหรอกโชคดีจริงๆที่ตอนนี้ไม่ใช่คนบ้านฉันแล้วไม่อย่างนั้นคงรู้แต่เรื่องข้อตัวล้างผ่านออกมาหลีชิงผิงหลีหวานเจ้าชุนฮาวาหัวเราบพรวดออกมาทันทีถ้าลูกสะใภ้ฉันคลอดหลานสาวให้จริงๆก็ดีสิลูกชายคนโตฉันให้หลานชายมาสาคนแล้วตอนนี้ชิงผิงก็ให้หลานชายใหม่คนเฮิรชันละยอมใจเลยดูท่าชาตินี้ฉันคงมีดวงจะมีหลานสาวแค่คนเดียวจริงๆ เจ้าชุนฮาวารู้ดีว่าคําพูดไหนจะแทงใจหนิวซูเฟินนางจึงยกยิ้มอย่างผู้ชนะหนิวซูเฟินพอได้ยินว่าหลี่ชิงผิงคลอดลูกชายดวงตาก็เบิดกว้างแกแกพูดอีกทีซิฉันว่าแกคงแก่จนเลือยเรือแล้วจริงๆถึงฟังที่ฉันพูดไม่รู้เรื่องฉันบอกว่าลูกสะพ้ยฉันคลอดหลานชายตัวน้อยให้ฉันยังไงล่ะเจ้าชุนฮาวาช่วยสมเคราะห์ความปรารถนาของหนิวซูเฟินที่อยากฟังอีกรอบหลานชายเป็นเด็กผู้ชายจริงๆหรือ หนิวซูเฟินมองเด็กในอ้อมแขนของหลีชิงผิงด้วยสายตาอิจฉาหากนี่เป็นหลานชายของนางก็คงดีขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นหนิวซูเฟินก็ได้ยินเสียงลูกถิงทิ้งยังคงร้องวยวายอยู่ด้านหลังทำให้นางรู้สึกหนุดหงิดขึ้นมาทันทีผู้หญิงในเมืองนี่ช่างเรื่องมากจริงๆตอนหลีชิงผิงคลอดลูกคนแรกก็ไม่เห็นจะร้องรำทำเพลงขนาดนี้แกจะร้องไปถึงไหนกันแกมาคลอดลูกนะไม่ได้มาขอชีวิตการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นน่นเป็นเรื่องมงคลของบ้านร้องหอยหวนเหมือนผีเข้าแบบนี้มันซวยจริงๆ นิวซูเฟินดากราจโจเจียนเย่ยเองก็ไม่อยากจะปกป้องลู่ถิงถิงอีกแล้วเพราะสิ่งที่นางทํามันก็เกินไปจริงๆไม่ว่าหมอหรือคนอื่นจะพูดอย่างไรนางก็ไม่ฟังเอาแต่ร้องตะโกนราวกับว่าการทําเช่นนั้นจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ไม่ไหวแล้วฉันเจ็บจะตายอยู่แล้วลู่ถิงถิงเจ็บจนเหนื่อท่วมตัวแรงที่บีบเสื้อของโจเจียนเย่ยคอ ย, ค, อยคลายออกก่อนที่นางจะหมดสติไปถิงถิงโจเจียนเย่ยเห็นดังนั้นก็ตกใจแทบสิ้นสติไหนบอกว่าไม่เป็นไรไงทําไมถึงสลบไปได้ นิวซูเฟินขมวดคิ้วนี่มันอะไรกันอีกคงไม่ใช่ว่าแกล้งทำเพื่อจะให้พวกเรายอมตกลงเรื่องผ่าตัดหรอกนะพยาบาลได้ยินเสียงเอออผิดปกติข้างนอกจึงรีบวิ่งออกมาจัดแจงให้พวกเขาช่วยกันหามหญิงตั้งคันเข้าไปในห้องรอคลอดเพื่อให้หมอทำการตรวจเช็คโดยด่วนเมื่อคนถูกส่งเข้าห้องรอคลอดไปแล้วหูของทุกคนก็สงบลงเสียทีโจเซียนเย่สีหน้าดูไม่ได้เลยเขาเหลือบมองเจิ้นหยุนฉงที่กำลังคอยถามไทหลีชิงทิงด้วยความหงอยยัยเห็นท่าทางใส่ใจกันขนาดนั้นในใจเขาก็รู้สึกขมขื่นอย่างบอกไม่ถูก เป็นยังไงบ้างฉันบอกไว้ก่อนนะคืนนี้จะให้นอนที่ทางเดินน่ะไม่ได้เด็กขาดเจ้าชุนฮวาขมวดคิ้วมุ่นพ่อแกเขาว่ายังไงบ้างพ่อบอกว่าให้พวกเราคอยฟังประกาศอยู่ที่นี่ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะย้ายไปโรงพยาบาลทหารแทนจะกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้เด็กขาดเพิ่งคลอดลูกเสร็จต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอีกสักสองสาวันถึงจะปลอดภัยเจิ้งหยุนชงยื่นมือไปกุมมือของหลีชิงถิ่งไว้แน่นเป็นความผิดของที่เองที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเธอถึงต้องมาลำบากแบบนี้ ฉันได้มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลก็ดีมากแล้วค่ะอีกอย่างหมอก็บอกว่าฉันคลอดธรรมชาติได้เร็วมากไม่เป็นไรหรอกตอนฉันคลอดเสียหวานขนาดไม่ได้ไปโรงพยาบาลยังผ่านมาได้เลยแม้แต่ตอนอยู่เดือนฉันยังต้องดูแลตัวเองด้วยซ้ําฉันไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกคุณคิดหรอกนะลีชิงพิงยิ้มบางๆหลังจากคลอดลูกนางก็ไม่ได้รู้สึกไม่สบายตรงไหนจึงคิดว่าอาจเป็นเพราะสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันโจเจี้นเยี่ยกับหนิวซูเฟินที่อยู่ไม่ไกลได้ยินทุกคําพูดอย่างชัดเจนหนิวซูเฟิน ร, ร, รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น แต่โจเจียนเย่ยไม่รู้เขาถลึงตาใส่หนิวซูเฟินแต่นางปรับทําเพียงหลบสายตาด้วยความนลนลานแกมองฉันทําไมเรื่องมันผ่านไปตั้งกี่ปีแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันก็ลืมไปหมดแล้วแม่ครับบางเรื่องเราคงต้องกลับไปคิดบัญชีกันให้ดีจริงๆโจเจียนเย่ยแค่นเสียงเย็นชาหลังจากยาร้างกันไปเขาถึงได้รู้ความจริงที่ถูกปกปิดไว้มากมายในใจเขารู้สึกทรมานอย่างยิ่งยิ่งเป็นเช่นนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกติดค้างสองแม่ลูกหลีชิงทิงมากขึ้นไปอีก นิวซูเฟิร์นพื้พมอะไรบางอย่างในลําคอไม่นานนักหมอก็เดินออกมาจากห้องรอคลอดพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายให้พวกเขาทราบสถานการณ์ของภรรยาคุณตอนนี้จําเป็นต้องรับการผ่าตัดครับเมื่อครูตอนผมตรวจท่าของทารกยังปกติดีอยู่แต่ตอนนี้ท่าทารกผิดปกติแถมยังเจ็บท้องมานานจะมีอาการหมดสติไปพูดตามตรงตั้งแต่เป็นหมอมาหลายปีผมก็เพิ่งเคยเจอเคสแบบภรรยาคุณเป็นครั้งแรกนี่แหละหมอกล่าวต่อว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไปชําระเงินนะครับผมจะได้จัดเตรียมการผ่าตัดทันที ต้องจ่ายเท่าไรครับโจเจียนเยี่ยลังเลเล็กน้อยเขารู้ว่าค่าผ่าคลอดนั้นสูงมากดังนั้นตั้งแต่แรกพวกเขาจึงตั้งใจจะให้คลอดธรรมชาติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ไม่คิดเลยว่าตอนนี้แผนการจะเปลี่ยนไปค่าผ่าคลอดประมาณร้อยกว่าหยวนครับหาพวกแกเปิดโรงพยาบาลหรือเป็นโจรกันแน่นี่มันปนกันชัดชัดนิวซูเฟินร้อนรนขึ้นมาทันที ไม่เอาเราไม่ผ่านแล้วหมอรีบเอาตัวลูกสะพ้ยฉันออกมาเถอะเราจะกลับไปคลอดที่บ้านฉันไม่เชื่อหรอกว่าคลอดลูกมันจะยากเก็นขนาดนั้นถ้าทารกไม่ปกติก็แค่หมุนให้มันเข้าที่กระจบเรื่องไม่ใช่เหรอคุณป้าครับพูดนะ้ํามันง่ายเกินไปไหมาเด็กอยู่ในท้องจะหมุนยังไงเด็กอาจจะเอาเท้าออกมาก่อนซึ่งมันอันตรายมากอีกอย่างผมยังกังวลว่าภรรยาคุณเจ็บท้องมานานขนาดนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเด็กข้างในเป็นอย่างไรบ้างโจวเจียนเ ย, ย่ไม่คิดว่าปัญหาจะร้ายแรงถึงเพียงนี้ ถ้าพวกคุณยังตัดสินใจไม่ได้ก็ค่อยๆ ค, คิดไปนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาทางเราจะไม่รับผิดชอบพวกคุณต้องเป็นคนแบกรับความเสี่ยงนี้เองตกลงครับเราจะผ่าตัดโจเจี้ยนเย่ยกัดฟันพูดผ่าครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้พกเงินมามากขนาดนั้นผมต้องรบีบไปหาทางรวบรวมเงินก่อนได้ครับต้องรีบหน่อยนะเวลาไม่ค่อยท่า